พระพุทธศาสนาที่พวกเรามีศรัทธาความเชื่อมีภาษาทรความเลื่อมใสนี่เป็นเหมือนร้านขายสินค้าสินค้าที่พระพุทธศาสนาจะขายให้กับพวกเราคืออะไรก็คือรถแห่งธรรม ที่ชนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมคืออะไรก็คือรสของความสุขที่เกิดจากความสงบนั่นเองความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีและความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เกิดจากอะไรเกิดจากวิมุติ คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองถ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็จะได้รับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อ แล้วศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมหรือพระสงค์เราก็จะได้สินค้าจากพระพุทธศาสนาคือได้รสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงถ้าเราเข้าหาศาสนาเพื่อหวังความเจริญ ทางลาบยศสารเสริญสุขเราก็จะผิดหวังเพราเหมือนกับการไปที่ร้านอาหารแล้วหวังจะซื้อเสื้อผ้าหรือรองเท้ากระเป๋าเราก็จะผิดหวังเพราะว่าร้านอาหารเขาไม่ขายรองเท้าขายเสื้อผ้าขายกระเป๋า เขาขายอาหารฉันใดพระพุทธศาสนาก็คือก็ขายความสุขที่เกิดจากความสงบทางจของใจงนั้นเราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นเราจะไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาถ้าเราหวังจะ เจริญทางราบยศสารเสรเิญสุขแล้วไม่ได้เจริญทางราบยศสารเสรเิญสุขเราก็า จ, จะผิดหวังเราก็จะไม่อยากจะเข้าหาพระพุทธศาสนาที่มีสินค้าที่มีคุณค่าราคาวาที่ดีกว่าราบยศสารเสรเิญสุขที่เราหากันเออ แต่เราไม่รู้ถ้าเราไม่ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราศึกษาแล้วเราจะได้รู้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีอะไรมอบให้กับเราและดีกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้อย่างไรถ้าเราศึกษาแล้วเราจะได้รู้ว่า สิ่งที่เราจะได้รับจากศาสนาเป็นอย่างไรเราจะได้ไม่ผิดหวังเราจะได้มีความเชื่อมั่นในการศึกษาในการปฏิบัติตามคำสั่ ง, ค ำ, ง, ค, ำงคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการแล้วพอเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการแล้ว ผลของการศึกษาและปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับจากน้อยขึ้นไปหามากเพราะการศึกษาการปฏิบัติก็ต้องเป็นไปเป็นขั้นเป็นตอนจากขั้นที่ง่ายขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากขึ้นไปตามลำดับเหมือนกับการไปเรียนหนังสือตามโรงเรียน เวลาริ่มเรียนเราก็เรียนขั้นที่ง่ายก่อนเช่นขั้นอนุบาลอนุบาลนี้ไม่ต้อง <c oughs> เรียนมากให้เล่นให้กินให้นอนเรียนนิดหน่อยเรียนนับหนึ่งสองสามเรียนกไก่ขอไข่ไปก่อนตามกําลังของผู้ไปศึกษาเด็กเล็กย่อมมีความสามารถ ที่จะเรียนรู้ได้น้อยกว่าเด็กใหญ่เด็กโตจิตใจของพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรายังไม่เคยได้เข้าโรงเรียนของพระพุทธศาสนาไม่ได้เข้ามาศึกษาคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะเป็นเหมือนเด็กเล็กๆที่ยังไม่มีความสามารถที่จะ เรียนชั้นสูงสูงได้เราก็เลยต้องเรียนชั้นต่ำขึ้นไปก่อนผลที่ได้รับจากชั้นต่ำก็ได้น้อยกว่าชั้นสูงแต่ก็มีผลที่จะทำให้เรารู้ว่าการศึกษาการปฏิบัติจากพระพุทธศาสนาจะทำให้เราได้ผลอย่างไร อย่างน้อยที่สุดเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราจะไม่ได้ก็คือลาบยศสรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะศาสนาไม่ได้สอนให้ไปหาลาบยศสารเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่สอนให้มาหาความสุขทางใจความสุขที่เกิดจากความสงบ ความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆนี่คือสิ่งที่เราต้องทำความรู้จักทำความเข้าใจไม่เช่นนั้นเราอาจจะผิดหวังแล้วเราอาจจะเปลี่ยนาศาสนาได้บางคนเคยนับถือาศาสนาพุทธเพราะคิดว่านับถือแล้วจะร่ำรวยจะเป็นใหญ่เป็นโต แต่พอไม่ได้ตามที่คิดก็เลยเสื่อมศรัทธาไม่เข้าหาศาสนา<ม>กลายเป็นคนไม่มีศาสนาไปก็มีหรือ <c oughs> อาจจะไปนับถือศาสนาอื่นแต่ถ้าได้ศึกษาว่วาศาสนาพุทธนี้ มีอะไรมอบให้กับเราแล้วดีกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นดีอย่างไรพอเราได้ศึกษาเราได้เรียนรู้แล้วมันก็จะทำให้เราเกิดความศรัทธาที่แน่วแน่น่าจะไม่รู้สึกผิดหวังถ้าเราไม่ได้เจริญในลาบยศสสริ์สุข เพราะเราไม่หวังที่เราจะมาเจริญในราบยศสารเสริญสุขกันจากการเข้ามาศึกษามาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาเพื่อรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเราต้องการความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขของศาสนาพุทธนี้ เหนือกว่าความสุขของมหาเศรษฐีเหนือกว่าความสุขของพระราชามหากษัตริย์เหนือกว่าความสุขของผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆเหนือกว่าความสุขของรูปเสียงกลิ่นรัดต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขที่จะได้รับจากพระพุทธศาสนา ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินถ้าเปรียบก็เหมือนก้อนหินกับก้อนเพชรเนี่ยความสุขของทางาศาสนาพุทธนี่เป็นเหมือนก้อนเพชรเนส่วนความสุขของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นเหมือนก้อนหินคุณค่าราคานี้มีต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะ เรียนรู้ก่อนไม่ฉะนนั้นเราจะผิดหวังเราจะเสียเวลาแต่ถ้าเราได้เรียนรู้แล้วเราก็จะได้ไม่ผิดหวังเวลาที่เราไม่ร่ำรวยเวลาที่เราไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตเวลาที่เราไม่ได้รับรางวัลต่างๆได้รับการสรรเสริญเยินยอเวลาที่เราไม่ได้ ไปได้รูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆมาเสษมาสัมผัสเเพราะนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะได้จากพระพุทธศาสนานั่นเองเหมือนกับเวลาเราไปร้านอาหารเราก็ไม่ได้ใหวังจะได้กระเป๋ารองเท้าหรือเสื้อผ้าหรือรถยนต์หรือสินค้าอะไรต่างๆเราต้องการอาหารเพียงอย่างเดียว คนเข้าร้านอาหารมักจะไม่ผิดหวังเพราะเขาไม่ได้หวังอะไรจากร้านอาหารนอกจากอาหารเพื่อมาบำรุงร่างกายเพื่อมาดับความหิวของร่างกายของเขาฉันใดการเข้าหาพระพุทธศาสนาก็มาดับความหิวของใจดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆของใจนี้ ที่ทำให้ใจของพวกเราไม่มีความสุขกันถึงแม้จะร่ำรวยขนาดไหนก็ยังเจอความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆเอยเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ยังต้องเจอความทุกข์จากความอยากต่างๆเอยเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในในแพลนกต่างๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาโอลิมปิก แม้ว่าจะเป็นรางวัลแสดงดีเด่นลูกกตาทองคำลูกโล่ทองคำอะไรต่างๆก็ยังเจอความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอยู่ไม่สามารถหนีจากความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไปได้เพราะว่าไม่ได้ไปเข้าที่มีการให้ให้ให้ใหความสุข ที่เกิดจากการดับของความทุกข์ต่างๆนั่นเองถ้าไม่เข้าหาพระพุทธศาสนาแล้วรับประการได้ว่าไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่จะสามารถมอบความสุขที่เกิดจากการดับของความทุกข์ต่างๆได้ ย, ยังต้องเจอความทุกข์อยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ต่อให้ร่ำรวยขนาดไหนก็ยังต้องทุกกับความอยากอยู่ต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ยังต้องทุกกับความอยากอยู่อันนี้คือสิ่งที่เราควรที่จะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้วเราจะรักศาสนาพุทธเราจะ เราจะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับสัศ า, าสนาพุทธเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมอบสิ่งที่พระพุทธศาสนามอบให้กับพวกเราได้นั่นก็คือวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ถ้าได้หลุดพ้นก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แหละที่เรียกว่าลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงดังนั้นสิ่งที่เราต้องทาเพื่อที่ให้เราได้รับสมัมผัสกับลถแห่งธรรม ที่ชนะรถทั้งปวงนี้เราก็ต้องศึกษาว่าต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้เราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมพอเราศึกษาแล้วเราก็จะได้เรียนรู้วิธีการสร้างรถแห่งธรรมตามขั้นตอนตามกำลังของผู้ที่เข้ามาศึกษาจากพระพุทธศาสนา ขั้นตอนแรกที่พระพุทธศาสนาจะสอนให้กับผู้ที่เริ่มต้นก็คือสอนชั้นอนุบาลสอนขั้นอนุบาลให้ปฏิบัติขั้นอนุบาลขั้นอนุบาลของการสร้างลดแห่งธรรมคืออะไรก็คือการทำบุญทำทานนี่นี่คือขั้นอนุบาลแล้วก็มีขั้นปฐมมีขั้นมัธยม แล้วก็มีขั้นอุดมศึกษาที่จะทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงขึ้นไปมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดขั้นเต็มร้อยขั้นเบื้องต้นนี้อาจจะได้แค่ร้อยละสิบร้อยละยี่สิบเพราะความสามารถของเรา ที่จะสร้างความสงบที่เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบได้มีน้อยนั่นเองเราเลยสร้างได้น้อยขั้นที่หนึ่งนี้เป็นขั้นที่ง่ายกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองคืออะไรขั้นที่สองก็คือการรักษาศีล น, นั่นเองทำบุญทำทานนี้ง่ายกว่าการรักษาศีล แล้วก็ขั้นที่สามก็ยากกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองขั้นที่สามก็คือขั้นการทําสมาธิทําจิตใจให้สงบนะขั้นที่หนึ่งนี้เหมือนขั้นอนุบาลทานขั้นที่สองเหมือนขั้นประถมขั้นที่สามเหมือนขั้นมัธยมสมาธิ ขั้นที่สี่นี่เหมือนขั้นอุดมศึกษาขั้นที่สี่คือปัญญาถึงแม้ว่าปัญญาจะให้ผลมากกว่าการปฏิบัติทำขั้นอื่นๆก็ตามแต่ผู้ที่เริ่มต้นจะไปสู่ขั้นปัญญาเลยเนี้ยย่อมเป็นไปไม่ได้ยกเว้นคนบางคนเท่านั้น ที่อาจจะได้สร้างสมทำระดับต่างๆมาแล้วในอดีตชาติถึงสามารถเข้าสู่ขั้นของปัญญาได้เลยแต่ทุกคนนี้ส่วนใหญ่จะต้องผ่านขั้นต่างๆเหล่านี้ไปก่อนก็สามารถตรวจสอบตัวเองได้ว่าเราอยู่ขั้นไหนกัน เราทําบุญทําทานได้หรือเปล่าทาบุญทําทานไม่ได้หมายความว่าทําปีละครั้งในวันเกิดเราก็บอกว่าเราทําบุญทําทานได้ไม่ใช่การทําบุญทําทานนี้ก็คือเอาเงินทองที่เราจะไปซื้อความสุขต่างๆซื้อของที่ไม่จำเป็นซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหลาเนี่ย เอาไปทําบุญะถึงจะเรียกว่าเป็นการทําบุญไม่ใช่ทําบุญตามโอกาสปีหนึ่งวันเกิดทําสักครั้งหนึ่งปีใหม่ทําสักครั้งหนึ่งถ้าอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการทําบุญเพื่อให้เกิดผลคือความสุข ท, ที่เกิดจากความสงบนะต้องทําแบบอแบบจริงจัง จะไม่เอาเงินทองนี้ไปใช้กับสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์กับใจนั่นเองการใช้เงินทองของพวกเรานี้บางทีเราคิดว่าเราไปซื้อความสุขกันแต่ความจริงมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่คือการเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ซื้อของที่ไม่จำเป็นซื้อของหรูหราเลอกซื้อพวกอบายามุขพวกสุราพวกการพนันการเที่ยวเตะการใช้เงินทองแบบนี้ถึงแม้ว่าจะได้ความสุขแต่ก็ได้ความสุขเดียวๆแล้วก็มีความทุกข์ตามมาเพราะการใช้เงินแบบนี้มันจะทำให้ติดนิดสัย จะต้องใช้อยู่เรื่อยๆพอเงินทองไม่พอใช้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาต้องไม่ใช้เงินทองเหล่านี้ต้องเอาเงินทองเหล่านี้ไปใช้เพื่อทําให้เกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจที่ไม่มีโทษตามมาก็คือเอาไปทําบุญทําทานนี้เองแล้ว จะได้ผลคือความสุขที่ดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะการทําบุญนี้จะไม่ทําให้เราติดบุญเวลาไม่มีเงินทองจะทําบุญเราจะไม่รู้สึกหงุดหงิดล า, าคาญเหมือนกับไม่มีเงินทองไปซื้อสุรามาดื่มไม่มีเงินทองไปแทงหวย มันหวยออกนี่ถ้าไม่มีเงินแทงหวยแล้วรู้สึกชีวิตไม่มีชีวิตชีวาแต่ถ้ามีเงินแทงหวยแล้วรู้สึกมีชีวิตชีวามีความมีความหวังขึ้นมาถึงแม้ว่าจะเป็นความหวังแบบลมๆนัลล้นๆก็ตามแต่อย่างน้อยก็มีทำให้เกิดมีความรู้สึกมีความสุขขึ้นมาชั่วประเดียวประดาแต่พอไม่มีเงินแทงหวย มันนั้นก็จะหดหดลาคาญชีวิตรู้สึกจืดชืด น, นี่คือเรื่องของการทําบุญทําทานเนี่ยคือให้เราดึงเอาเงินที่เราเอาไปใช้กับของที่ไม่จําเป็นทั้งหลายที่เราไปคิดว่ามันให้ความสุขกับเราแต่มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดนี่เอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหรา ไปซื้อเ่อาไปเที่ยวเอาไปกินไปดื่มไปเล่นกันเนี่ยอันนี้เป็นการกระทาที่จะทำให้เกิดโทษขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาตามมาเกิดความสุขในชั่วขณะที่เราได้ทำมันแต่พอเงินทองไม่มีใช้แล้วเทนี้จะเดือดร้อน แล้วสองทำให้เราต้องเครียดกับการหาเงินหาทองทุกวันนี้พวกเราทำไมต้องไปหาเงินหาทองกันมากมายนะก็เพราะว่าเราเอาเงินทองไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนั่นเอเพราะเราคิดว่าการมีของฟุ่มเฟือยเหล่านี้จะทำให้เรามีความสุขแต่มันสุขไหมล่ะมันก็สุขเชั่อขนาที่เราได้มาใหม่ๆนั่นเองแล้วเราก็ต้องมาหา คอยหามาเติมอยู่เรื่อยเองินทองของเราหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใช้สักทีเพราะมันมีของที่จะมาล่อใจเราให้ซื้อมากขึ้นไปเรื่อยๆสมัยเราเริ่มทํางานใหม่ๆเราเรงินเดือนกิซักเท่าไหร่กันเราก็ไม่พอใช้พอได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกสองเท่ามันก็ไม่พอใช้อีก ว่ามันก็มีของมาล่อใจให้เราซื้อเพิ่มมากขึ้นของอาจจะอย่างเดียวกันแต่ราคามันแพงขึ้นไปละสูงขึ้นละใครซื้อเสื้อผ้าชุดละพันเดี๋ยวต่อไปอาจจะต้องซื้อชุดละหมื่นนะเราจะรู้สึกว่าชุดละพันมันไม่มีลถมีชาติเหมือนกับลดลชุดละหมื่นนี่แหละถ้าเราลองใช้เงินแบบนี้แล้วต่อให้เรามีมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะไม่พอใช้ แลมันก็จะกดดันให้เราต้องไปเครียดกับการไปหาเงินหาทองเนี่ยเรียกว่าความทุกข์ต้องหามเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อ ม, มาตอบสนองควันหาความอยากของเรานั่นเองเนี่นยแต่การทําบุญทําทานนี่เป็นการมากําจัดตันหาความอยากของเราอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยก็เอาเงินนี้ไปทําบุญดีกว่า เอาเงินไปช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนคนที่เขาไม่มีข้าวกินคนที่ไม่มีเสื้อผ้าใสคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือถ้าเป็นเด็กไม่มีเงินไปเรียนหนังสือช่วยหาค่าเราเรียนส่งค่าเราเรียนให้เข า, เขาให้เขาได้เรียนหนังสือนี่เป็นการหยุดใช้เงินตามความอยากเช่นจะเอาเงินไปเที่ยว เปลี่ยนใจเอาไม่เอาจาทีนี้ไม่เที่ยวอยู่บ้านไปทำบุญดีกว่าเอาเงินไปทำบุญมันก็จะลดความอยากลงเพราะความอยากนี้ถ้าเราไม่ไปทำตามมันมันจะอ่อนกำลังลงไปของมันเองเพอไม่ทำตามความอยากสักระยะหนึ่งแล้วความที่เคยอยากไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆนี้ มันจะหายไปมันจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาที่ไม่ได้เที่ยวไม่ได้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปกินไปดื่มกันนี่แหะเป็นการหาความสุขระดับที่หนึ่งคือทานระงับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากใช้เงินทองไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆแล้วก็ ได้ความสุขจากการทำบุญทำทานเวลาที่เราได้ช่วยให้คนอื่นเขานี้มีชีวิตที่ดีขึ้นนี้เราเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาและเป็นความสุขที่จีรังถาวรกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปเที่ยวกลับมาหายไปหมดแลพอคิดถึงสถานที่ ที่เคยไปเที่ยวก็เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาอยากจะไปเที่ยวอีกนะแต่ยังไม่ได้ไปก็เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาแต่ถ้าคิดถึงบุญที่เราได้ทําไว้ทุกครั้งที่คิดก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาไม่ได้ความรู้สึกหงุดหงิดว่าไม่ได้ไปทําบุญแต่อย่างใดนะนี่แหละคือการสร้างความสุขคือความสงบของใจ ในระดับฐานสงบยังไงสงบระงับจากการอยากใช้เงินตามความอยากต่างๆนั่นเองอยากจะซื้ออันั่นซื้อไอ้นี่ซื้อมาแล้วไม่กี่วันก็อยากจะซื้อไอ้น้นต่ออยากจะซื้อไปเรื่อยๆถ้าตราบใดมีเงินอยู่ในกระเป๋านี่ความอยากไม่รู้มันโผล่มาได้ยังไงต้องเงินหมดนั่นแหละความอยากมันถึงไม่โผล่ขึ้นมา อยงนั้นถ้ามีเงินในกระเป๋าแล้วจะจะกลายเป็นเป็นเป็นธาตุของความอยากก็เอาไปทําบุญดีกว่าให้มันไม่มีเสียพอไม่มีแล้วความอยากที่จะไปเที่ยวไปซื้ออะไรต่างๆมันก็จะไม่มีแล้วจะทําให้เราอยู่บ้านได้อยู่บ้านอยู่ติดบ้านมีความสุขกับการอยู่บ้าน แล้วถ้าเราไม่มีเงินไปเที่ยวเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ต้องไปเครียดกับการหาเงินหาทองเพื่อมาสนับสนุนความอยากต่างๆของเรานี่คือกระบวนการของการสร้างความสุขทางใจในขั้นที่หนึ่งคือการทาบุญทำทานนี่เองประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำบุญทำทานนี้มีมากมาย ที่เรามองไม่เห็นกันไม่รู้กันข้อที่หนึ่งก็คือเราจะมีความสุขไม่ว่าเราจะตื่นหรือหลับจะมีความสุขใจที่ได้ได้ทำบุญได้มีความสุขจากการทำบุญสองเวลานอนหลับก็จะฝันดีไม่ฝันร้ายสามจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย จะมีคนนักคนชอบเราคนทาบุญนี่ไปไหนก็มีแต่คนนักคนชอบเห็นไหมเห็นไหมได้ข่าวคุณบินมลัลเริสไหเนี่ยคนติดตามแกวันนี้บินไปทาบุญที่ไหนอยากจะร่วมทาบุญด้วยเพราะไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครไปช่วยเหลือไปทําไปบรรเทาความทุกข์ยากลาบากให้กับ คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนจึงจะมีคนรักคนชอบจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาด้วยจะมีเทวดาด้วยที่จะมารักแล้วจะมีเทวดามาคุ้มครองจะมีเทวดามาคอยปกป้องคุ้มครองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เทวดาจะคอยคุ้มครองผู้ที่ทำบุญทำความดี แล้วก็จะไม่มีผู้ที่จะปองร้ายด้วยอาวุธหรือยอาพิษจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยอาพิษเพราะไม่ได้ไปสร้างความเกลียดแค้นให้กับใครมีแต่สร้างความรักความชอบแล้วจะมีใครเขาจะมาคิดทำร้ายแล้วก็จะมีหน้าตาผิวพรรณผ่องใสเนี่ยอยากจะไปทำหน้ากันเนี่ย อย่าไปเสียเงินทำเลยทำให้กี่ปีเดี๋ยวมันก็เฉาอีกเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเองเอาเงินไปทำบุญเถิดแล้วหน้าตาจะมีหน้าตาผิวพรรณผ่องใสเบิกบานคนที่ทำบุญนี่หน้าตาจะมีรัศมีใช่ไมมองเห็นแล้วรู้สึกว่าอ๋อเป็นคนมีบารมีมีทานบารมีแล้วคนจะรักจะชอบ ไปทำผิวทำหน้าจะไปคิดว่าคนเขาจะรักจะชอบเรานะเพราะถึงแม้จะทำผิวทำหน้ามาแล้วแต่หน้าตาอาจจะเบื่องตึงก็ไดอ้อาจจะเครียดกับความโลภความโกรธความอยากก็ได้คนเราพอมีความอยากแล้วต่อให้ไปทำหน้าทำตาขนาดไหนมันก็ดูไม่ไม่น่าดูเวล า, ามีอารมณ์หงุดหงดเนี่ยอยากจะไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวอยากจะได้นู่นได้นี่ไม่ได้ หน้าตาจะไม่ผ่องใสเบิกบานนแต่คนที่ไม่มีความอยากเพราะได้กำจัดมันด้วยการทำบุญทำทานนี้หน้าตาจะผ่องใสผิวพรรณเบิกบานนผ่องใสเบิกบานแบบธรรมชาตินแบบไม่ต้องปรุงแต่งนะแล้วก็ถ้าอยากจะนั่งสมาธิทาใจให้สงบ จิตก็จะสงบง่ายเพราะไม่มีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆมาลบกวนใจนั่นเองไม่มีความอยากที่จะได้สิ่งนั่นสิ่งนี้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มันก็เลยไม่มีอะไรมาลบกวนใจเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่ายแล้วถ้าตายไปก็จะไปสวรรค์อย่างน้อยก็ไปสวรรค์ถ้าไม่ได้ไปสูงกว่านั้นก็ไปสวรรค์ แต่ถ้าได้ทาบุญอย่างอื่นด้วยได้อยู่ในระดับที่สูงกว่าก็จะไปสูงไปกว่าสวรรค์ไปสู่นิพพานต่อไปได้นะนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทาบุญทำทานอย่าไปคิดว่าทาบุญแล้วมิดมีแต่เสียเงินเสียเวลาจริงอยู่เราต้องเสียเวลาเวลาเราไปทาบุญวันนี้มาทาบุญที่นี่เราก็ต้องเสียเวลาเราก็เสียเงินเสียทอง คนทาบุญนี้จะไปรวยได้ไงในเมื่อต้องเสียเงินเสียทองงั้นเราอยากไปคิดว่าการเสียนี่เป็นการขาดทุนเพราะว่าเป็นการลงทุนเป็นเหมือนการซื้อของเวลาเราซื้อของทำไมเราไม่รู้สึกว่าเราขาดทุนเราเสียเงินไปเสียเวลาไปช้อปปิง้งแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้ของที่เราอยากได้มาแต่เราได้สิ่งที่เราต้องการมา ที่ดีกว่าเงินทองที่เราเสียไปถ้าไม่เช่นนั้นเราไม่ยินดีที่จะเสียเงินทองไปหรอกฉนันใดการทำบุญทำทานนี้ก็แบบเดียวกันถึงแม้เราจะเสียเวลาเสียเงินทองแต่เราจะได้สิ่งที่คุ้มค่าก่าเงินทองที่จะสามารถซื้อได้ ทำเงินไปเงินทองไปเที่ยวนะได้ความสุขประเดียวประดานะ้กลายเป็นคนติดยาเสพติดไปนะเราะจะติดเที่ยวเราจะต้องเครียดกับการหาเงินหาทองมาเที่ยวอยู่เรื่อยๆแต่การทำบุญทาทานนี่เราไม่ได้ต้องไปหาเงินหาทองเพื่อมาทำบุญทาทานนะที่เราทำบุญทาทานเพราะว่าเรามีเงินเหลือจากการ หาเงินทองมาได้การที่เราหาเงินทองนี่ความจริงเราหาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราเท่านั้นเนอะคือหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่บางทีก็หาได้มากกว่าที่เราจะเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ถ้าเราไม่ได้รู้จักวิธีทําบุญเราก็จะเอาไปใช้กับของฟุ่มเฟือยกันไปเที่ยวกันแล้วก็จะ กลายเป็นปัญหาต่อมาเพราะเงินทองจะไม่พอใช้แต่ถ้าเราได้เรียนรู้วิธีทาบุญว่าดีกว่าการเอาเงินทองไปใช้กับความอยากต่างๆพอเรามีเงินเหลือที่เราสามารถเอาไปทำบุญได้เราก็เอาไปทำบุญแต่ถ้าเราไม่มีเงินทำบุญเราก็จะไม่เครียดเพราะการทำบุญไม่ได้ทำให้เกิดความอยากทำบุญ เหมือนกับการไปเที่ยวการไปเที่ยวนี้ยิ่งทำให้เกิดความอยากเที่ยวมากขึ้นไปเรื่อยๆซื้อของฟุ่มเฟือยก็อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยมากขึ้นไปเรื่อยๆพอเกิดความอยากแล้วความสุขไม่มีถึงแม้ได้ไปเที่ยวที่ไหนมามากมายได้เข้าได้ของมามากมายแต่พอไม่ได้ไปเที่ยวใหม่ ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวเก่ามันไม่กลับมาให้ความสุขกับเรามันจะให้แต่ความเครียดกับเราจนทนไม่ไหวจนต้องไปออกไปเที่ยวต่อต้องเสียเงินเสียทองต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองม า, มาเที่ยวกันนนนี่คือการหาความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงในระดับการใช้เงินทองก็คือให้เรา มามาทำบุญทำทานกันแล้วพอเราทำบุญทำทานได้เราก็จะมีกำลังที่จะเลื่อนขึ้นสู่การหาความสุขระดับที่สูงกว่าได้คือระดับของการรักษาสีการรักษาสีนี้ ถ้าเราเป็นคนไม่ใจบุญสุนทานเราจะทาบุญเราจะทำรักษาศีลได้ยากแต่คนที่ชอบทำบุญทาทานนี้จะรักษาศีลได้ง่ายกว่าเพราะคนทำบุญนี้จะไม่อยากให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนคนทำบุญนี้อยากจะให้คนอื่นเขามีความสุขไม่เดือดร้อนจากการกระทาของเขาเขาก็จะระมัดระวัง ถ้าไปทําอะไรแล้วทําให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนก็จะไม่ทําำถ้าไปต้องไปโกหกก็จะไม่โกหกถ้าจะต้องไปประพฤติผิดประเวณีก็ไม่ไปทำํำถ้าจะไปลักทรัพย์ของคนอื่นก็ไม่เอาถ้าจะไปทําลายชีวิตของผู้อื่นก็ไม่อยากทำํำเพราะมันคนที่ทําบุญมีความเมตตานั่นเองต่างกจากคนที่ไม่ทําบุญนะ คนไม่ทำบุญนี้จะไม่มีความเมตตาก็เลยทำบาปได้ง่ายนึกอยากจะได้อะไรมาถ้าต้องโกหกก็โกหกถ้าต้องประพฤติผิดประเวณีก็จะประพฤติผิดประเวณีถ้าต้องช่อโกงต้องรักทรัพย์ก็จะช่อโกงถ้าต้องฆ่าก็จะฆ่านะนี่แหละคือการกระทำบาปต่างๆนี้ เกิดจากการที่ไม่ได้ทําบุญนั่นเองไม่รู้จักทําบุญทําไมเราจึงมีคดีต่างๆปรากฏให้เห็นนั่นไหมฆ่าคนบ้างลักทรัพย์บ้างก็เพราะนี่แหละก็เพราะไม่มีความเมตตากันมีแต่ความอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากทํานูน่นอยากทํานี่พอเกิดความอยากขึ้นมาใจมันก็เด่นใจมันก็ หงุดหงิดมันอยู่เฉยๆไม่ได้มันก็ต้องไปลาบายความเครียดความหงุดหียดด้วยการกระทําถ้าทําโดยวิธีที่ไม่ทําบาปไม่ได้ก็จะไปทําโดยวิธีทําบาปนั่นเองแต่ถ้ามาได้รับการสอนให้หัดทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆแล้วรับรองว่าการจะไปทําบาปไปสร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้กับผู้คนนี้จะเป็นของที่ยาก นี่คือประโยชน์ของการทำทานเพื่อที่จะทำให้เรารักษาศีลไม่ทำบาปได้ง่ายการรักษาศีลไม่ทำบาปนี้ประโยชน์อย่างไรก็จะทำให้เราสบายใจ น, นั่นเองเวลาโกหกนี่สบายใจหรือเปล่าเวลาไปประพฤติผิดประเวณีสบายใจหรือเปล่าเวลาไปลักทรัพย์ไปช่อกงสบายใจหรือเปล่า เวลาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วสบายใจไหมไม่สบายใจเป็นเหมือนวัวสันนังหวะเห็นตำรวจเห็นใครก็กลัวเขาจะรู้เห็นตำรวจก็คิดว่าเขาจะมาจับเราแล้วทั้งๆที่ตำรวจไม่รู้เรื่องของเราังแต่พอเราทําบาปแล้วมันจะเกิดความระแวงเกิดความหวาดกลัว มองหน้าใครไม่ค่อยติดใช่ไหมเวลาทําบาปนี้พูดกับใครนี่ไม่กล้ามองที่ตาเพราะกลัวเขาจะรู้ว่าเราโกหกนะเพราะเวลาทําอะไรแล้วไม่พูดไม่ตรงกับสิ่งที่เราทํำนี่มันไม่มันไม่หนักแน่นมันฟังแล้วมันรู้สึกกวงๆไงไม่น่าเชื่อถืออ่อนี่คือโทษของการทําบาปจะทําให้เราไม่มีความสุขะ แต่พอเรารักษาสีได้ไม่ทำบาปได้เราจะสบายใจเราจะไม่หวาดกลัวเราจะมองหน้าใครนี่เรามองหน้าได้อย่างเต็มตาไม่กลัวว่าเขาจะมาจ้องจับผิดเราเพราะเราไม่มีอะไรความผิดอะไรให้เขามาจ้องจับผิดนั่นเองเราจะมีความมั่นใจมีความสุขใจอันนี้ประโยชน์ที่เราได้รับในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการรักษาศีลหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจที่ของเราที่จะเป็นดวงวิญญาณต่อไปก็ไม่ต้องไปเป็นดวงวิญญาณในอาบายไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอสูรละกายไม่ต้องไปเป็นนรกถ้าไปเกิดกไ็ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานถ้ารักษาศีลได้แล้วถ้ายัางไม่ได้ทาบุญหรือทาบุญน้อยก็ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยไม่ต้องไปรับผลกรรมในอบายแต่ถ้าได้ทำบุญด้วยได้รักษาศีลด้วยก็จะไปสวรรค์ก่อนไปเป็นเทวดาก่อนหลังจากบุญที่ได้รักษาหมดกำลังลงก็จะกลับมาได้เกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต่างกับมนุษย์ผู้ที่มาเกิดจากอบายพวกที่มาเกิด พวกที่ลงมาเกิดจากสวรรค์นี้เป็นพวกที่มีมีวาสนาบารมีมาเกิดร่ำรวยมาเกิดมีความาสวยงามรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสมีอาการครบสามสิบสองมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน แต่พวกที่มาจากอบายนี้เวลามาเกิดนี่จะเป็นพวกมาเกิดแบบาภาพวาสนาหน้าตาไม่สวยไม่งามอาการไม่ครบสามสบสองบางคนก็แขนขาดขาขาดมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุสั้นยากจนนี่เป็นผลของการที่ขณะที่ ตายไปแล้วไปเกิดในอบายพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเป็นพวกอาภัพวาสนาพวกที่ทำบุญแล้วตายไปพวกที่ทำบุญรักษาศีลได้ไม่ทำบาปได้ตายไปไปเป็นเทวดากลับมาก็กลับมาเป็นมนุษย์ที่มีบุญมีวาสนาบารามีเห็นทำไมคนเราจึงมีความแตกต่างกัน ก็เป็นคนเหมือนกันถ้าเป็นผลไม้เหมือนมันน่าจะเป็นผลไม้เหมือนกันแต่เป็นผลไม้ทําไมไม่เหมือนกันเป็นคนไม่เหมือนกันนิสัยใจคอก็ไม่เหมือนกันคนที่มาจากกบายก็มักจะมีนิสัยชอบทําบาปติดตัวมาชอบเสพอบายอมุขติดตัวมาคนที่ลงมาจากสวรรค์ก็มีนิสัยชอบทําบุญติดตัวมาอันนี้มันเป็น อุปนิสัยของของดวงจิตดวงใจที่ทําให้มนุษย์เราที่มาเกิดในโลกนี้มีอุปนิสัยต่างกันมีวาสนามีบารมีต่างกันมีความร่ํารวยมากน้อยต่างกันมีความสวยงามมากน้อยต่างกันมีความสมบูรณ์ทางร่างกายต่างกันมีอายุสั้นยาวต่างกันะ นี่คือผลที่เกิดจากบุญหรือบาปที่เราทำกันมาในอดีตชาตินั่นเองนะครับถ้าเราอยากจะให้พบชาติของเราในอนาคตถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพานเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ขอให้มันเวียนว่ายตายเกิดในสุคติดีกว่าที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายเนี่ย การที่เราจะไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายเราก็ต้องรักษาสีห้าให้ได้เนี่ยเพราะสี่ห้าจะเป็นผูม้มาปิดประตูอบายให้กับเรานั่นเองแล้วถ้าเราอยากจะเกิดในสวรรค์เราก็พยายามทำบุญเอาเงินที่จะไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปดืม่มเอาไปทำบุญดีกว่าตายไปได้กาไรกว่ากลับมากม็มีเงินทองรอรับเราอยู่อีก กลับมากับมาก็เหมือนกลับมาตกบนกองเงินกองทองนะกลับมาเป็นลูกของคนรวยอย่างนี้อย่างเจ้าชายศิทธะนี้ชาติก่อนที่จะมาเป็นเจ้าชายศิทธะก็เป็นพระเวชสันดอนนี่พระเวชสันดอนก็ท่านก็เป็นผู้ที่ทำบุญทรทานอย่างโชคชะ มีมากมีน้อยใครต้องการใครเดือดร้อนใครมาข อ, อนี้ไม่เคยปฏิเสธมีแต่จะให้ตลอดเวลาเพราะให้แล้วมีความสุขดีกว่าเอาเงินทองไปเที่ยวไปซื้อของความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเอาเงินไปทําบุญกับมีความสุขกว่าพอตายไปดวงวิญญาณของพระเวชสันดรก็ไปเกิดบนสวรรค์แล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะผู้มีวาสนาบารมีออกจากท้องแม่ก็เดินได้เจ็ดเก้านะจนพระเจ้าพระราชบิดาต้องไปเรียกโหนมาดูอนาคตว่าอนาคตของลูกชายเป็นอย่างไรเพราะเป็นเด็กที่เป็นเด็กที่มหัศจรรย์นั่นเองเป็นเด็กอัจฉริยะ โหก็ได้ทำนายไว้สองทางถ้าอยู่ทางโลกก็จะได้เป็นมหาจากักรพรรดิถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่นหะคือผลที่เกิดจากการทำบุญทำทานเกิดจากการไม่ทำบาปรักษาศีลอย่าไปคิดว่าเราทำพวกนี้แล้วเราไม่ได้อะไรถ้าเรามองในโลกนี้เราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้อะไร ทำบุญทำทานเราก็มีแต่เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของไปได้อะไรรักษาศีลก็ทำให้เราทาอะไรยากไปหมดอยากจะได้นูน่นอยากจะทำนูน่นทำนี่ก็ทำไม่ได้แต่ถ้าไม่รักษาศีลมันทำได้ง่ายกว่าจะโกหกแฟนว่าไปเที่ยวก็บอกได้ว่าโกหกว่าไปทำงานแต่จะไปเที่ยวแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่พูดปดก็โกหกแฟนไม่ได้ก็ไปเที่ยวไม่ได้ ก็ลคิดว่าขาดทุนคนที่คิดว่าการรักษาศินนี่ขาดทุนก็จะไม่อยากรักษาสินแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปรับผลของการทําบาปของตนต่อไปเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วแล้เวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะก็จะเกิดมาแบบอาภัพวาสนา คนเราไม่รู้ว่ะทำไมเรามาเกิดแล้วทำไมถึงยากจนทำไมเราเกิดแล้วถึงมาเกิดร่ำรวยทำไมเรามาเกิดแล้วมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามบางทีบางทีมีมีหน้าตาสวยงามบางคนมีผิวพรรณไม่สงสัยอันนี้มันเป็นเรื่องของบุญบาปที่เราทำกันในอดีตชาติดังนั้นถ้าเราอยากจะให้พบชาติของเราถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิด อยู่ถ้ายังไปไม่ถึงนิพพานก็ให้มันเวียนว่ายตายเกิดในสุขติดีกว่าด้วยการทําบุญทาทานด้วยการรักษาศีลรักษาศีลไม่ให้ด่างพร้อยแล้วก็ทําบุญทําทานตามโอกาสตามกําลังของทรัพสมบัติเงินทองที่เรามีอยู่แล้วรับประกันได้ว่าอยู่ก็มีความสุขสุขทางใจใจสงบใจจะไม่ค่อยวุ่นวายไม่เครียด แล้วก็ตายไปก็จะไปสวรรค์ไปสู่สุขติ น, นี่คือลำดับขั้นที่สองของการสร้างความสุขทางใจขั้นที่สามพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เจริญสมาธิเพราะถ้าาสามารถเจริญสมาธิได้เราจะทำให้ใจสงบได้เต็มร้อยเลย ทำบุญทำทานนี้อาจจะสงบแค่ร้อยละยี่สิบรักษาศีลอาจจะสงบแค่ร้อยละห้าสิบเนี่ยแต่ถ้าอยากจะให้จิตสงบอย่างเต็มร้อยนี้ต้องนั่งสมาธิต้องเจริญสมาธินและการที่จะเจริญสมาธิได้เราก็ต้องมีศีลเป็นเพื่อสนับสนุนที่มากกว่าศีลห้าศีลห้านี้ไม่มีกาลังที่จะทำให้จิตสงบได้สงบได้ก็ไม่มากเท่ากับศีลแปด ะผู้ที่จะมาฝึกสมาธิก็จำเป็นที่จะต้องถือศีลแปดถือศีลห้ากับศีลแปดอันไหนมันง่ายกว่ากันยากกว่ากันแต่ถ้าเราถือศีลห้าได้แล้วการจะถือศีลแปดมันก็ไม่ยากเย็นอะไรเพิ่มอีกสามข้อเท่านั้นเองนี่คือความยากง่ายของการสร้างความสุขทางใจสร้างลดแห่งธรรมที่เหนือกว่ารดทางปวงเนี่ยมันต้องเพิ่มความพยายาม เพราะว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการกระทาที่เราไม่เคยทำกันไม่ถนัดเราถนัดในการทำตรงกันข้ามกันเราถนัดในการไม่รักษาศีลกันเราถนัดในการไม่ทำบุญทาทานกันเราถนัดในการไม่ทำใจให้สงบกันพอเราต้องม า, มา Bald, ทำบุญทาทานมารักษาศีลมาทำใจให้สงบเราก็จะรู้สึกว่ามันยาก แต่ถ้าเราตามทำตามขั้นตอนแล้วมันจะไม่ยากเหมือนกับเดินขึ้นบันไดถ้าเราเดินทีละขั้นมันจะไม่ยากถ้าเดินจากขั้นหนึ่งกระโดดไปขั้นที่สามนี่ขั้นที่สี่นี่มันยากพระพุทธเจ้าเลยสอนให้เราทำเป็นขั้นขั้นที่หนึ่งทำบุญทำ ท, ทานขั้นที่สองรักษาศีลห้าพอรักษาศีลห้าได้ก็ขยับไปรักษาศีลแปดต่อไป พอรักษาศีลแปดเราก็จะมีเวลามานั่งสมาธิได้เพราะศีลแปดจะห้ามไม่ให้เราไปเที่ยวกันนั่นเองไม่ให้เราไปกินไปดืม่มแบบไม่มีเวล่ำเวลาไม่ให้เราไปดูหนังฟังเพลงร้องรำทำเพลงไม่ให้เรานอนมากเกินไปไม่ให้เราแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามทางร่างกายพอเราไม่ทากิจกรรมเหล่านี้เราก็มีเวลาว่าง ที่จะมาหัดนั่งสมาธิกันมีเวลาว่างที่จะมาหัดจเจริญสติกันเพราะการจะนั่งสมาธิทำจิตให้สงบได้ต้องมีสติเป็นผู้ควบคุมใจให้นิ่งให้สงบนั่นเองเพราะสตินี้ก็เป็นเหมือนเบรกลถอยานการที่เราจะให้รถยนต์จอดได้เราต้องมีเบรกถ้าเหยียบเบรคแล้วรถไม่จอดแสดงว่าเบรคเสียหรือเบรกไม่ดี เราก็ต้องเอาเข้าให้ช่างเขาตรวจสอบดูว่าทําไมเหยียบเบรกแล้วรถไม่หยุดเน่ยช่างก็บอกว่าผ้าเบรกหมดแล้วต้องเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ฉะฉันใดถ้าเราไม่สามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ก็สแสดงว่าสติเรามีน้อยไปเราก็ต้องมาสร้างสติสิ่งที่จะมาทําให้เรามีสติก็คือกรรมาฐาน กรรมาฐานก็คืออารมณ์ที่เราใช้ควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเองเป็นเหมือนผ้าเบรกเราก็ต้องมาเสริมผ้าเบรกเราก็ต้องมาติดผ้าเบรกให้กับใจคือใช้กรรมาฐานกรรมาฐานที่เราใช้กันที่เรารู้จักกันอย่างทั่วไปก็คือพุทโธนี่ให้เรามาบริกรรมพุทโธพุทโธกันทุกครั้งที่เรา ท่องพุโทโธพุธโทโธนี้เท่ากับว่าเรากําลังติดผ้าเบรกเติมผ้าเบรก ข, ขึ้นมาพุโทโธได้มากเท่าไหร่ผ้าเบรกก็จะมีมากขึ้นไปเท่านั้นต่อไปแตะเบรกนิดเดียวนี่หัวจะทิ่มเลยเนี่ยเป็น p เ w e r brake เลยถ้าเรามีพุโทโธเยอะๆเนี่ยเพียงแต่รู้ว่าคิดปับ๊บบอกให้มันหยุดคิดปับ๊บมันก็หยุดเลยแต่ถ้าบอกให้มันหยุดคิดมันยังไม่หยุดก็ต้องเหยียบ ต้องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธใส่เข้าไปการที่เราจะมีพุโทโธได้เราต้องฝึกท่องพุโทโธไปเรื่อยๆก่อนเพราะถ้าเราไม่ท่องพุโทโธมันจะท่องไม่ออกเวลาที่จะหยุดความคิดสู้ความคิดไม่ได้เห็นต้องมายามฝึกท่องพุโทโธพุธโทโธในช่วงที่เราไม่ต้องใช้ความคิดกันเช่นช่วงที่เรา กาทำภารกิจส่วนตัวอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารนี่เป็นช่วงที่เราสามารถเจริญพุทธโธได้อย่างสะดวกหรือถ้าเราอยากจะเจริญพุทธโธมากกว่านั้นเราก็ต้องหาวันที่เราไม่ทำงานเพราะถ้าเราทางานนี่เราต้องใช้ความคิดพอใช้ความคิดมันก็จะพุทธโธไม่ได้แต่ถ้าเราอยากจะ เติมเบรคให้กับใจสร้างภาพเบรคให้กับใจเราก็อาจจะต้องอรอวันหยุดหรือลางานหรือทำงานให้น้อยลงถ้าเราเห็นคุณค่าของความสุขที่จะได้จากความสงบนี้มันดีกว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากการไปทำงานทำการคือได้เงินได้ทองเงินทองซื้อความสงบไม่ได้สิ่งที่จะซื้อความสงบได้ก็คือสติ เห็นเราอาจจะต้องเปลี่ยนเราอาจจะต้องลดการทํางานให้น้อยลงเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาฝึกสติให้มากขึ้นนะครแล้วผลที่เราจะได้รับมันดีกว่าเงินทองที่เราได้รับจากการทํางานทําการเงินทองซื้อความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้นเห็นพอเราเห็นคุณค่าของความสงบเราก็อาจจะเปลี่ยนการหาความสุข เมื่อก่อนหาความสุขจากการหาเงินทองต่อไปเห็นว่าคนเงินทองสู้ความสุขที่ได้จากการมีสติไม่ได้ก็จะลดการหาเงินหาทองให้น้อยหน่งเพื่อที่จะได้มีเวลาไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวเพื่อที่จะได้ฝึกสติจจนานสติให้มีกำลังมากขึ้นสติมีมากจิตก็จะสงบได้มากขึ้นไปนั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีจิตก็นิ่งสงบ แล้วก็จะได้ความสุขแบบเต็มร้อยคือนื้อิสันติปรังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีแต่เป็นความสุขเต็มร้อยแบบชั่วคราวเพราะจะอยู่ในสมาธิได้ไม่นานจิตก็จะได้งอกมาจะถอนออกมา ถ้าอยากจะให้จิตสงบแบบร้อยเปอร์เซนตทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิและขณะที่ออกจากสมาธิมาก็ต้องไปเจริญขั้นที่สี่ขั้ที่สีปฏิบัติขั้นปัญญาขั้นปัญญานี้จะทำให้ความสงบที่ได้จากสมาธินี้ไม่หายไปเวลาออกจากสมาธิมาแต่ถ้าไม่มีปัญญาความสงบที่ได้จากสมาธิ พอออกมาแล้วเดี๋ยวก็จะหายไปหายหเพราะอะไรหายหเพราะความอยากนั่นเองความอยากนี้ยังไม่ตายจากการทำบุญทำทานยังไม่ตายจากการรักษาสิ่งยังไม่ตายจากการนั่งสมาธิแต่ความอยากจะตายด้วยปัญญา <S <S 1> <S 1> ถ้ามีปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากว่าจะนำไปสู่ความทุกข์ แม้ความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขเดี๋ยววเป็นความสุขปลอมเดี๋ยวก็จะต้องหมดไปเพราะเป็นความสุขแบบไม่เที่ยงนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่ความอยากเราต้องการให้ความสุขต่างๆที่ความอยากต้องเราต้องการในโลกนี้เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงเป็นความสุขชั่วคราวเวลามันหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาพอเราเห็นความจริงอันนี้เราก็จะได้ หยุดความอยากได้เรื่องอะไรไปหาความทุกข์เรื่องอะไรไปฮุบเหยื่อที่มีเบ็ดติดอยู่แต่ถ้าไม่มีปัญญาก็เห็นเหยื่อก็ดีใจฮุบเข้าไปพอฮุบเหยื่อปั๊บก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากทันทีพอไม่มีปัญญาอยากจะได้นู่นได้นี่ก็ไปเอามาทันทีพอมันหายไปหรือจากเราไปหรือมันเสียไป ก็ทําให้เราเสียใจทําให้เราทุกข์ใจขึ้นมาดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายหลังจากที่ออกจากสมาธิมาเราก็ต้องใช้ปัญญาค่อยสอนใจไม่ให้ไปอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นลดความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดความสุขจากลาบยศสารเสริญเมื่อเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์มันก็จะไม่อยากได้ พอมันไม่อยากได้จิต ท, ที่ไม่สงบจากความอยากก็กลับมาสงบทันทีเพราะตัวที่ทําให้จิตไม่สงบก็คือความอยากนี่เองนี่แหละคือความสงบที่ถาวรที่จะไม่มีวันสิ้นสุดถ้าได้กําจัดความอยากต่างๆด้วยปัญญาให้หมดไปจากใจแล้ว ดยการเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนันตตาไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเป็นของชั่วคราวไม่เเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันเที่ยงให้มันเป็นของเราไปได้ตลอดเวลาให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาพอเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่มีความอยากได้อะไรต่อไปพอจิตหมดความอยากความสงบที่ถาวรก็จะปรากฏขึ้นมา ที่เรียกว่านิบานังปามังสุขขังนี่เองนิพพานคือความความสุขของพระ น, นิพพานคือบรลมะสุขนี่ปาลมังสุขขังแปลว่าบรลมะสุขเกิดจากการที่เราใช้ปัญญากําจัดความอยากต่างๆที่อยู่ในใจให้หมดสิ้นไปแล้วใจของเราก็จะอิ่มจะพอไปตลอดจะไม่หิวกับอะไร ก็เลยทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะไม่หิวกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เมื่อไม่หิวไม่ต้องการก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือมาหาก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างสมบูรณ์ได้วิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนา ที่จะมอบรดแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือนัตติสันติปลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีด้วยการทำจิตใจให้หลุดพ้นให้วิมุตติจากความทุกข์ทั้งปวงก็เป็นเรื่องที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปป an ักปติอิชิต um ังปะชิตังตุมหังคิปะเมวะสัมิจาโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนนาหราโสยธามณีโชติหราโสยธาสัพพิตโยวิวาชานโต สัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตารายสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาฒนศีลิสานิจจังวุธาปะจายโนจตาโรธรรมวาทานเตอายุวันโอสุขังภาลา <c oughs> ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากเลิกกันแล้วก็จะของงดถามเพราะไม่สะดวกเพราะต้องทำอะไรอย่างอื่นต่อไปถ้าอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่เจ้าค่ะทางเ c e บ o o k 499ย t u b บ328วิทยาออนไลน์20รับฟังบนเข่า61รวมทั้งสิ้น908ท่านเจ้าค่ะคค่ะกับเขาอกาค่ะพระอาจารย์เมื่อวานที่ฟังทำเรื่องที่พระอาจารย์ ชี้แนะเรื่องการภาวนาขั้นโสดาบันนะค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ให้พินาศกายแล้วให้กายไม่เป็นของเราแล้วก็ลงเรื่องไตลักษณ์แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระอาจารย์ได้พูดถึงการพิจารณาทุกขเวทนาค่ะโยมเข้าใจว่าเ อ, อพระอาจารย์บอกว่าให้พินาศทุกขเวทนาตัวเดียวก็ได้แล้วมันจะหลุดไปทั้งชุดเลยเอจิตกับทุกขเวทนาเราพอหลุดปุ๊บมันหลุดทั้งชุดเลยเ<อ>พวกขันหะ<อ>โยมจะเรียนถามพระอาจารย์ว่า เราต้องพิจารณาทั้งสองเรื่องหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้หรือเปล่าเจ้าคะ clauses, ในการภาวนาขั้นโสดาบันค่ะก็ะมันก็เป็นเหมือนสองเรื่องเราก็ต้องพิจารณาทีละเรื่องไปเรื่องของร่างกายก็ต้องพิจารณาว่ามันต้องแก่ต้องตายค่ะเรื่องของเวทนาก็าคือมันต้องเจ็บน้ำสายต้องเจ็บหนีพ้นความเจ็บไม่ได้ ค, ความเจ็บมันมามันไปมันไม่เที่ยงความเจ็บมันเกิดมัน มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวมันเจ็บเดี๋ยวมันไม่เจ็บเดี๋ยวมันเฉยๆเราก็ต้องรู้มันตามความเป็นจริงของมันอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเวลามันเจ็บก็อย่าไปอยากให้มันหายเวลามันไม่เจ็บก็อยากจะให้มันสุขอะไรต่างต่างๆอย่าไปอยาก อยู่กำมันไปทำใจให้เป็นอุเบกขาเฉยๆไว้สัก์แต่ว่ารู้ไปไม่ไม่ถึงทุกครั้งที่ที่เรามีสติเราก็พิจารณาทั้งสองเรื่องนี้ไปไปด้วยกันเลยก็แล<ช>้วแต่<ม>ว่าอะไรมันเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นเวล า, าทำข้อสอบจริงๆมันจะมีมันจะไม่ได้เกิดพร้อมกันเวลาจะตายมันก็ต้องพิจารณาความตายว่าร่างกายไม่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเรา มันก็เหมือนการเวทนามันก็ไม่ใช่มันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราค่ก็ต้องลงไปที่ไตรลักทั้งทั้งทั้งสองอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเวทนาหรือว่าเป็นร่างกายค่ะแล้วโยมโยมจะเรียนถามอีกเรื่องหนึง่งคือในการดูทุกเวทนาเพื่อเป็นการซ้อมอะคะ่ะโยมโยมควรจะนั่งให้นานที่สุดแล้วนั่นา ถ้าให้มันเจ็บแล้วอย่าลุกปล่อยให้ความเจ็บมันหายไปก่อนแล้วค่อยลุกคนะ่ะพระอาจารย์ค่ะกลับขอบพระคุณค่ะอย่าไปขยับตัวอย่าไปทําให้ความเจ็บหายไปปล่อยให้มันหายเองมันเกิดขึ้นมาเองมันก็ต้องให้มันหายเองคําถามจากคุณไนยนาเจ้าค่ะคนที่เคยนับถือศาสนาพุทธ แต่กลับเข้าศาสนาอื่นเพราะคิดว่าบุญกุศลไม่ช่วยแล้วผลหลังจากเขาตายเขาจะได้รับผลอย่างไรเจ้าคะก็เหมือนกันคนระับถ้าเขาไม่ได้ทำบุญเขาก็ไม่ได้บุญนะถ้าเขาทาบาปเขาก็ได้รับผลของบาปไม่ว่าจะไปนับถือศาสนาไหนก็ตามหรือไม่นับถือก็ตามมันไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาศาสนาเป็นเพียงเป็นคนสอนคนบอกเท่านั้น แต่การกระทำนี่จะเป็นตัวให้เขาไปรับผลของการกระทำของเขาไม่ว่าเขาจะนับถือพูดหรือไม่นับถือพูดทำบาปเขาก็ไปอบายเหมือนกันทำบุญก็ไปสวรรค์เหมือนกันคะคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเจ้าค่ะ วิธีการเลือกจริตในการภาวนาจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเราคู่ควรกับจริตแนวนี้เพราะมีสี่สิบแบบครับขอแนวทางในการเลือกครับผมอ๋อจริตนี้มันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามเวลาที่มันปกตินี้เราก็ใช้พวกอนุสติเป็นหนักเวลาที่เราไม่เกิดความโกรธเกิดความโลภเกิดละโกรุภะเกิดกามรมาลาคะนี่เราก็ใช้อ๋อ ใช้กรรมฐานที่เป็นใช้ได้ทั่วไปเวลาจิตเราเป็นปกติไม่พยศไม่เจ็บไม่ไ ม, ไม่ไม่มีดิเลโผล่ขึ้นมารเราก็ใช้พุทธโธไปใช้การดูลมไปใช้ไปแต่ถ้าเกิดดิเลตโผล่ขึ้นมาเกิดความโกรธเกิดโผล่ขึ้นมาเราต้องเปลี่ยนนะใช้พุทธโธมันไม่อยู่ใช้ดูลมไม่อยู่ ก็ต้องใช้เมตตาต้องให้อภัยแผ่เมตตาให้อภัยความโกรธก็จะหายไปถ้าเกิดการอารมณ์ขึ้นมาอยากจะไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องพิจารณาร่างกายของคนนั้นคนนี้ว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามมันก็จะระ ง, งับอารมณ์ได้กรรมฐ า, านนี้มันเป็นเหมือนยาระ ง, งับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอารมณ์ต่างๆเราก็เรียกว่าจริญ นี่คนบางคนมีเจริตทำไปทางกามากปรากฏขึ้นบ่อยก็ต้องใช้การพิจารณาสุภาพบ่อยบางคนโทสะเจติตชอบโกรธง่ายอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธก็ต้องหมั่นเจริญเมตตาภาวนาให้อภัยอย่าไปอย่าไปมีเรื่องมีราวกับใครแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร น, นี่ทำนองนี้ แต่ถ้าเป็นไม่มีเหตุการณ์มาทำให้จิตใจวุ่นวายก็ใช้กรรมฐานที่เป็นแบบกลางๆใช้ได้ทั่วไปเช่นพุทโธหรือว่าดูลมหายใจเข้าออกหรือดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่างๆเป็นต้นเนีงั้นมันแล้วแต่ว่าเรากำลังมี จิตของเราอยู่ในจริตไหนถ้าจริตปกติก็ใช้แบบทั่วไปถ้าจริตโกรยก็ใช้เมตตาจริตกายมาลมก็ใช้อสุภาถ้าคึกขนองก็ใช้ความตายมรณานุสติพอรู้จะตายมันหายคึกขายขนอง คำถามต่อไปจากคุณพิชยาเจ้าค่ะความอยากมีอยากได้ทนลําบากกดปลอมเพื่อให้พ่อให้ลูกหลานได้เรียนโดยที่ตัวเองไม่ต้องการอะไรแล้วเป็นความหลงติดเป็นกเกลเอ็ดอยู่หรือเปล่าเจ้าคะเราควรคิดอย่างไรถ้าเป็นความอยากก็ยังเป็นกิเล็ดอยู่แต่ถ้าทําได้โดยที่ไม่ได้อยากมีเวลาว่างทําได้ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ได้ก็ทําไปแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็ไม่ทำํำ เพราะถ้าอยากแล้วไม่ได้ทำจะทุกข์อยากจะช่วยเขาแล้วช่วยเขาไม่ได้ก็จะทุกข์แต่ถ้ายินดีจะช่วยแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็ไม่ช่วยอย่างนี้ก็ไม่ทุกข์คําำถามต่อไปจากคุณบางเอิญเจ้าค่ะบุคคลที่เราไม่สามารถช่วยเขาได้แต่ใจอยากช่วยมากควรทำอย่างไรดีครับก็ดูตามดูกาลังของเราเสร็จเราช่วยเขาได้เปล่า เขาจะจมน้ำเราว่ายน้ำไม่เป็นเราจะกระโดดลงไปช่วยเขาหรือเปล่าก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องดูกำลังความสามารถของเราว่าเราช่วยเขาได้มากน้อยเพียงเลยช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็เรื่องสุดวิสัยไป คำถามต่อไปจากคุณก้อยเจ้าคะ่ะถ้าเราหลีกเลี่ยงการฉีดยาหอยทากด้วยการนําไปปล่อยแทนแต่ฝากคนอื่นไปดําเนินการแทนถ้าผู้ดําเนินการไม่ไปปล่อยให้เราแล้วหอยทากตายเราจะบาปไหมเจ้าคะ่ะหอยทากเจ้าค่ะถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ไปปล่อยเองสิเราไปฝากเขาปล่อยบางทีเราก็ไม่รู้เขาปล่อยเราไม่ปล่อยแต่เราไม่บาปหรอกแต่คนที่ไม่ปล่อยนะไปทําให้เขาตายนะบาป แต่เราเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความรอบครอบไปเหมือนกับไปเปิดโอกาสให้เขาตายได้เย่นถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ปล่อยเองดีกว่าจะได้มั่นใจจะได้สบายใจจะได้ไม่มีความรู้สึกว่าเรานี่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่รอบครอบทำให้เขาตายได้คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ้าคะ่ะ คำถามที่หนึ่งค่ะถ้าหนูบริสุทธิ์แต่เผลอเรื่องกรรมบทบางข้อก็ไม่ถือว่าผิดศีลใช่ไหมเจ้าคะแต่ถ้าเป็นเหตุหนึ่งที่ไม่สามารถบรบรลุมรรคผลนิพพานได้ใช่หรือไม่เจ้าคะถ้าทำเบ็ดมัจะไม่มีเจตนาถ้าเผลอมันก็มันก็ทำให้ผู้อุ่นเสียหายได้ มันก็เกิดเวรขึ้นมาได้เขาอาจจะโกรธเราร้างแค้นเราได้แต่มันอาจจะไม่เป็นบาปเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาตั้งใจจะทำเช่นเราขับรถไปแล้วสุนัขวิ่งตัดหน้ารถแล้วชนตายเราไม่มีเจตนาจะาฆ่าเขาเขาวิ่งมาแล้วเราไม่ทันที่จะหยุดรถนีมันก็ไม่ไม่เป็นบาปอาจจะเป็นเวรหรือไม่ก็อยู่ที่สุนัขตัวนั้นว่าเขาจะโกรธเราหรือเปล่า คำถามที่สองเจ้าคะ่ะการปฏิบัติแบบอนุโลมปฏิโลมต้องทำยังไงแบบไหนมีความหมายว่ายอย่างไรเจ้าคะ่ะอนุโลมนี่พูดถึงการพิจารณาอาการสามสิบสองของร่างกายอนุโลมก็พิจารณาไปทางหนึ่งจากข้างนอกเข้าไปข้างในเรียกวอนุโลมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจน ถ, ถึงอาการอาการที่สาสิบสองปฏิโลมก็พิจารณาถอยกับ เริ่มต้นจากอาการสามสิบสองมาที่สามสิบเอ็ดสามสิบสามอะไกลับมาที่หนึ่งคือเพื่อความชํานาญเนี่ยสามารถพิจารณาได้ทั้งขณะเดินหน้าและขณะเดินถอยหลังเหมือนหัดขับรถเนี่ยหัดขับรถทั้งขณะเดินไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้าและหัดขับรถขณะที่วิ่งถอยหลังถ้าทําได้มันก็จะได้ชํานาญเก่งพิจารณาร่างกายได้ทั้งอนุโลมทั้งปฏิโลม ว่ามันจะต้องใช้ความพยายามมากใช่ไหมขับรถไปข้างหน้ามันง่ายกว่าขับรถถอยหลังพิจารณาถอยหลังมันก็ยากกว่าพิจารณาที่เข้าไปข้างหน้าเลยให้ทําทั้งสองแบบจะได้ทําให้มีความชํานาญ จ, จะได้เห็นร่างกายได้ชัดเจนฮะเห็นอาการทั้งสามสิบสองได้ชัดเจน คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามเจ้าค่ะในขณะนั่งสมาธิรู้สึกถึงความปวดขาความรู้สึกถึงปวดขาและใจที่รู้สึกปวดขาแต่ไม่รู้สึกเป็นทุกข์กับความปวดแต่การเห็นเพียงครู่เดียวจากนั้นหายไปเลยค่ะหลังจากนั้นพอนั่งสมาธิต่อมาเหมือนกับมีความจำนี้กลับมาแต่ไม่รู้สึกเห็นเหมือนแรกอีกค่ะหากมี ความจําแบบนี้เกิดขึ้นอีกควรปฏิบัติต่ออย่างไรเจ้าคะคือการปฏิบัติเพื่อให้เราอยู่กับความเจ็บให้ได้ให้เราเฉยกับความเจ็บให้ได้มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราอย่าไปอยากให้มันหายเจ็บอย่าไปอยากลุกนั่งไปพุโทโธไปดูลมไปพิจารณาว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไปบังคับมันไม่ได้ไปสั่งให้มันหายไม่ได้ หวให้มันหายเองได้เมื่อมันยังไม่หายก็ให้มันอยู่ต่อไปคำถามจากคุณก้อยเจ้าค่ะการส่งบุญให้บิดาที่ล่วงลับไปแล้วต้องส่งบุญอย่างไรให้เขาถึงจะได้รับเจ้าคะ ต, ต้องทำบุญต้องทาบุญทาทานเอาเงินบริจาคให้กับใครก็ได้โรงเรียนโรงพยาบาลวัดปล่อยนกปล่อยปลาทา ให้คนอื่นเขามีความสุขแล้วใจเราก็จะเกิดบุญขึ้นมาถ้าเขาเปลี่ยนภพภูมิแล้วเขาจะได้รับไหมเจ้าคะถ้าเขาไม่รับมันก็มันก็เป็นของเรามันก็กลับมาหาเราหรือถ้าเราอยากจะให้ผู้อื่นรับก็เราก็อทิศไปพร้อมๆกันถ้าคนที่ตั้งใจให้รับเขาไม่รับแล้วก็ให้ผู้ที่ต้องการจะรับรับต่อไปได้ก็ได้ คำถามจากคุณบัตรสลาคำเจ้าคะ่ะบัตรสลาคำไมมีภาษาไทยบัตรสลาคำการที่เรามีเพื่อนร่วมงานนิสัยแย่ๆเพราะเราไปสร้างกรรมไว้กับเขาหรือคะจึงต้องทนรับรูช้ชดใช้เขาอยู่อย่างเนิ่นนานพยายามอุเบกขาได้บ้างแต่ไม่ได้ทุกครั้งเจ้าคะ่ะการนี้เรามาเกิดอยู่ในโลกนี้มันก็มาเกิดอยู่ในโลกที่มีคน มีหลากหลายมีคนดีคนไม่ดีคนชอบเราคนเกลียดเรามันอาจจะไม่ได้เป็นก็เป็นกรรมมาในอดีตแล้วมันเป็นธรรมชาติของคนเป็นอย่างนั้นเมื่อเรามาอยู่ในสังค ม, มที่เป็นอย่างนี้มันก็ต้องเจอบ้างเจอคนที่ชอบเราบ้างเจอคนที่เกลียดเราบ้าง curve. เจอคนดีบ้างคนไม่ดีบ้างแต่เราก็เปลี่ยนได้ถ้าที่นี่ไม่ดีก็ย้ายที่เสียคนนี้ไม่ดีก็อย่าไปคบกับเขา ถ้าเปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องทำใจทนไปถือว่าเป็นกรรมของเราที่จะต้องมาเจอสิ่งเหล่านี้ไปทำใจให้เป็นอุเบกขาล้วก็จะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจ คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามเจ้าค่ะก็ผมตั้งใจจะบวชเป็นพระกรรมฐานเมื่อเสร็จภารกิจเลี้ยงดูบุพการีแล้วกำลังแสวงหาครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมขององค์หลวงตามหาบัวทางยูทูบและถามคำถามพระอาจารย์เมื่อเกิดปัญหาข้อข้องใจตอนนี้ผมทำตัวเหมือน ปะขาวบางวันก็ถอยความเพียรบางวันก็ได้กําลังจากการฟังเทศสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดของผมตอนนี้คือกินอาหารมื้อเดียวทําให้การภาวนาพอเป็นไปได้แต่อุปสรรคเยอะเหลือเกินชีวิตควรชีวิตคารวะควรทําเท่าที่เราทําได้ไปก่อนถูกต้องไหมครับถูกต้องก็งงเหมือนขับรถบนทางด่วนกับขับรถใต้ทางด่วน ถ้ายังขึ้นทางด่วนไม่ได้ก็ต้องอยู่ใต้ทางด่วนไปก่อนอพอมีมีโอกาสหาทางขึ้นทางด่วนได้ก็ขึ้นทางด่วนไปคําถามต่อไปจากคุณเดชาสิริตอนนั่งสมาธิพุทธโธไปเรื่อยๆจนตามเห็นความคิดทันแล้วเฉยกับความเจ็บได้แล้วทํายังไงต่อไปเจ้าคะก็ให้มันเฉยนานๆนี่นั่งไปนานๆนั่งต่อไป ดูซิว่ามันจะเฉยได้นานไหมถ้าไม่นานก็ให้มันเฉยต่อพอมันไม่เฉยก็ทำต่อไปใหม่ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกให้มันเฉยนานๆจนกระทั่งมันเฉยโดยไม่ไม่มีอาการที่จะมีอาการอะไรกับความเจ็บแล้วก็ที่นี้เราก็จะได้มีความมั่นใจว่าต่อไปเวลาเรามีความเจ็บเราจะรู้จักวิธีปฏิบัติกับมันได้ คำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามเจ้าคะ่ะการที่หนูเห็นว่ามีความหลงอยากได้เป็นเหตุจึงต้องหาวิธีที่จะเอาสิ่งของนั้นมาให้ได้จึงเป็นเหตุให้เกิดความอยากและเมื่อไม่ได้ของนั้นจึงเกิดความโมโหและหนูมีความโมโหเพราะหาทางเอาของนอันนั้นมาทำไม่สำเร็จเพราะความอยากได้นั้นเพราะความหลงคิดชอบใจในของนั้นมากเป็นเหตุอันเป็นโทษแก่ตัวหนูเองแบบนี้ถือรวมอยู่ในพิจารณาแบบปฏิบัติ แบบอนุโลมปฏิโลมได้หรือไม่เจ้าคะมันไม่เกี่ยวกันนะอนุโลมปฏิโลมันอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาแบบเหตุผลต้องเห็นว่ามันความอยากของเราพาให้เราไปหาสิ่งที่มันเป็นทุกข์เพราะว่าเวลาอยากแล้วไม่ได้ก็ทุกข์เวลาได้มาแล้วเดี๋ยวเสียไปก็ทุกข์อีกให้คิดอย่างนี้เีว่ว่าพิจารณาใจรักไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับอนุโลมปฏิโลม อนุโลมปฏิโลมนี้เกี่ยวกับการพิจารณาอาการสาสิบสองเท่านั้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บอย่างเงี้ยเดี๋ยว่าอนุโลมปฏิโลมคำถามจากคุณนิยาเจ้าค่ะเวลามีคนมาชื่นชมเราควรวางใจอย่างไรไม่ให้หลงตามเจ้าคะอ่าก็เดี๋ยววันหลังเขาอาจจะด่าเราก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอน วันนี้เราให้ขนมเขากินเขาก็ชื่นชมเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เกิดรเราไปเหยียบหางเขาเข้าเ ข, า, เขาก็จะด่าเราได้คำถามจากคุณสุนันท์เจ้าค่ะขอกราบเรียนถามครับช้อนลูกน้ำมาให้ปลาหางนกยุงบาปไหมครับบาปเลยลูกน้ำ ม, นมันมีชีวิตเนี่ยก็เป็นการฆ่าสัตว์นย คำถามจากคุณฝนเจ้าค่ะกับเรียนถามครับถ้าเราต่อสู้กับเบทนาเช่นนั้นนานๆถ้าเราสู้ชนะจนหายปวดแล้วมีกิริยาอย่างหนึ่งแสดงออกจากจิตเหมือนวูบสว่างจ้าแล้วตัวเบาใจเบา กวแต่ก่อนแสดงว่าเราเลื่อนขั้นการปฏิบัติธรรมของเราสูงขึ้นหรือพลังจิตของเราสะสมได้มากขึ้นหรือไม่ขอบพระคุณครับอ่ก้าวหน้ามีความสุขไม่กลัวความเจ็บปวดของร่างกายต่อไปก็อยู่แบบไม่ต้องมากังวลโรคภัยไข้เจ็บมันก็แค่ความเจ็บปวดของร่างกายนี่ขั้นต่อไปก็ลองไปดูว่ายอมรับความตายได้ไหมถ้ามันจะต้องตายปล่อยให้มันตายได้ไหม ถ้าได้ได้ก็บดปัญหาับเรื่องของร่างกายไปเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนตายก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยคำถามต่อไปจากคุณวรากรเจ้าค่ะการสวดมนต์และนั่งสมาธิผลที่ได้เหมือนกันหรือต่างกันครับก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันการทำใจให้สงบการสวดมนต์นี่ก็เป็นขั้นแรกที่จะพาให้ไปสู่การนั่งสมาธิต่อไป เวลาเริ่มนั่งอาจจะดูลมไม่ได้อาจจะพุทโทไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนเอพอสวดมนต์ได้แล้วใจหายฟุง้งซ่านแล้วก็มาพุทโทต่อได้ก็พุทธโทนู้ดูลมต่อได้ก็ดูลมไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกน้ำเจ้าค่ะทุกบ่ายสองหนูจะเปิดฟังธรรมะจากพระอาจารย์และฝึกนั่งสมาธิไปด้วยตกหลุมตกบ่อบ้างตามสติกำลัง จากนั่งไม่นานหลังๆฟังธรรมก็ไปนั่งได้เป็นชั่วโมงวันนี้ช่วงที่ออกจากสมาธิเห็นมีน้ําตาไหลออกมาตอนที่พระอาจารย์ให้พรเจ้าค่ะขอสอบถามว่าอาการแบบนี้ดีไหมเจ้าค่ะสาธุ ค, ค่ะก็ไม่ทุกข์ ก, ก, ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้ราร้องไห้แล้วทุกข์ใจก็แสดงว่าเป็นกิเลสเป็นความทุกข์น้ําตามันไหลได้หลายอย่างดีใจก็ไหลได้เสียใจก็ไหลได้ ฟันเข้าตาก็ไหลควันเข้าไปในตาก็ไหลได้ฉั้นข้อสำคัญขอให้เราอย่าไปทุกข์กับมันก็แล้วกันคำถามจากคุณศ ส, สิมาเจ้าค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการใส่บาตรเมื่อเรากรวดน้ำต่อหน้าพระแล้วต้องไปกรวดน้ำลงดินอีกหรือไม่และต้องอุทิศอย่างไรจึงจะส่งผลบุญไปถึงบําเพรุษค่ะการอุทิศบุญนี้ไม่ต้องมีพระก็ได้ เช่นเราใส่บาตรเสร็จปั๊บเราจะอุทิศในใจเราเลยก็ได้ไม่ต้องมีน้ำขอทิศส่วนบุญนี้ให้กับท่านผู้นั้นผู้นี้ที่ร่วงลับไปแล้วก็เสร็จนะงนั้นอุทิศบุญนั้นอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความนึกคิดอยู่ที่ความรู้สึกที่เราได้จากการทำบุญพอทาคุณบุญแล้วเรารู้สึกมีความสุขมีปิติเราก็อุทิศความสุขความปิตินี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงับไปแล้วได้ คำถามจากพ น, นิยาเจ้าค่ะร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้เหมือนเป็นหุน่นส่วนเราเป็นผู้บังคับหุน่นให้ไปในทิศทางที่ต้องการให้ทําโน่นทนํานี่แต่เราเป็นแค่ผู้ควบคุมหุน่นนั้นให้เคลื่อนไหวแต่เราไม่ใช่หุ่นแบบนี้เข้าใจถูกไหมค ะ, ะถูกแล้วแต่จะทําได้หรือเปล่าเวลาร่างกายเจ็บอยากคิดว่าเป็นหุน่นเราไม่เจ็บกับหุ่นได้หรือเปล่าเราไม่วุ่นวาย เวลาหมอบอกก็เป็นมะเร็งเราใจเราเฉยได้เปล่าต้องต้องไปพิสูจน์อีกทีเพียง แ, แต่รู้อย่างเดียวยังโกหกหลอกเราได้อยู่ต้องมีข้อสอบเวลาร่างกายเป็นอะไรแล้วใจเราวุ่นวายไปกับมันหรือเปล่า ถ้าไม่วุ่นวายใจเราเฉยมันเหมือนเห็นร่างกายเป็นเหมือนกับร่างกายของคนอื่นใช่ไหมคนอื่นเวลาเขาบอกเ่าเป็นโรคอะไรองแล้นก็ไม่รู้สึกอะไรเป็นก็เป็นไปเลยก็ต้องเป็นอย่างนั้นกับร่างกายของเราพอหมอบอกเป็นมะเร็งเป็นก็เป็นไปเลยไม่ใล่หรอกนั่นแหละถึงจะถึงจะเป็นของจริงน่ะ บางคนเชื่อว่าบรรุแล้วเพียงแต่เข้าใจมันไม่เข้าใจครั้นเข้าใจนี้ยังไม่ได้เป็นการบรรลุเพราะยังไม่ได้เจอข้อสอบยังไม่ได้เจอของจริงถ้าเป็นนักมวยก็ยังโชคกระสอบซายอยู่โชคเก่งกระสอบซรายซ้ายขวาได้แต่ไดตตต้ต้องขึ้นไปบนเวทีไปเจอกู้ต่อสู้ดูจะซ้ายขวาได้ปะเวลาโดนหมัดเขาแล้วเคำถามต่อไปจากคุณอิสรีเจ้าค่ะ พาครอบครัวเข้าวัดฟังธรรมบ่อยๆจนอยากให้ลูกได้บวชพระปฏิบัติมากกว่ามีหน้าที่การงานรวยๆแบบนี้เป็นกิเลส ข, ของแม่ไหมคะคืออยากแบบไม่ไปบังคับก็ได้และเป็นความปรารถนาคืออยากโดยที่ไม่ได้ไปบังคับไปเคี่ยวเข็นเขาอยากเพราะเห็นว่าเป็นทางที่ดีเราก็ชี้ทางให้เขาแล้วแต่ถ้าเขาไม่บวชก็อย่าไปเสียใจถ้าเสียใจก็เป็นกิเลส ถ้าไม่เสียใจก็ไม่เป็นกิเลสถ้าดีใจก็ก็ก็เป็นกิเลสก็ต้องเฉยๆทั้งไม่ว่าเขาจะบวชหรือไม่บวชถือว่าเป็นทางของเขาเป็นชีวิตของเขาให้เขาเลือกเอาคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิเราพิจารณาลมเข้าลมออกที่กระเพื่มในช่องอกได้หรือไม่เจ้าค่ะ ดูที่ดูที่กลางหน้าอกก็ได้ดูได้สองจุดดูที่ปลายจมกกูกเมื่อดูที่หน้าอกหน้าอกก็เข้าออกมันก็จะยุบห น, อห น, อออนอ่อพอ ง, อ, ง อ, อ, อ, องหนอ่อเวลาลมเข้าอกมันก็จะพองเวลาลมออกมันก็จะยุบแต่ไม่ต้องพูดยุบหนอ่อพองหนอ่อก็ได้ให้รู้ว่ามันเข้ามันออกให้รู้มันยุบมันพองก็ได้เพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆเป้ า, าหมายคือไม่ให้ไปคิดให้มีงานทําให้ดูลมเป็นงาน